รสนิยมในการกินเป็นเหตุเลือกที่เกิดใหม่หรือไม่ถามอดสงสัยไม่ได้ครับการมีรสนิยมแบบใดแบบหนึ่งเช่นผมชอบกินข้าวเหนียวจะเป็นเหตุให้ไปเกิดในพื้นที่หนึ่งหนึ่งที่คนหมู่มากชอบกินข้าวเหนียวด้วยหรือไม่ตอบถ้าไม่รู้แจ้งเรื่องกรรมวิบากคนเราก็สงสัยได้ทั้งนั้นแหละครับ แต่บางข้อสงสัยถ้าแก้ได้ด้วยการย้อนกลับไปดูว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรก็อาจช่วยให้เข้าใจพุทธพจน์แจ่มกระจ่างยิ่งขึ้นในเรื่องของแดนกำเนิดในเรื่องของเผ่าพันพระพุทธเจ้าไม่ตรัสว่าร ส, สนิยมเป็นตัวแจ้งเกิดหรอครับกรรมต่างหากที่เป็นถ้าคุณทำกรรมขาวมากกว่ากรรมดา แนวโน้มคือคุณจะไปเกิดในที่สว่างที่มั่งคั่งที่ไม่มีความเดือดร้อนส่วนที่คุณชอบข้าวเหนียวเป็นชีวิตจิตใจนั้นถ้าชอบไม่เลิกทั้งชีวิตคุณก็อาจหาข้าวเหนียวกินได้ใหม่โดยไม่ลำบากไม่ใช่ว่าจะต้องไปเกิดในถิ่นของคนชอบกินข้าวเหนียวโดยเฉพาะอีกประการหนึ่งการชอบข้าวเหนียว ไม่ได้เป็นตัวบอกว่ารสนิยมของคุณดีหรือไม่ดีคนเราจะรสนิยมดีได้ก็เพราะกรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ทำทานด้วยจิตคิดสงเคราะห์นั้นจะส่งผลให้เป็นผู้มีรสนิยมดีคัดเลือกสรรหาเครื่องบารุงสุขแบบโลกโลกชั้นเลิศได้ยิ่งยิ่งขึ้นคนรสนิยมดีนั้นบางทีก็เลือกกินอาหารหลายประเภทนะครับ การผูกใจชอบรสชาติแบบใดแบบหนึ่งเป็นเพียงวิธีเลือกเฉพาะตนความนิยมชม ช, มชอบรสสัมผัสแบบใดแบบหนึ่งซึ่งไม่มีผลเบียดเบียนตนและผู้อื่นย่อมไม่ใช่กรรมดีหรือกรรมชั่วเมื่อเข้าใจเช่นนี้ก็จะมองออกว่ารสนิยมไม่ใช่ตัวกาหนดที่เกิดใหม่แน่นอนครับส่วนในเรื่องเผาพันธุ์หรือจาพวกที่จะไปเกิดนั้น โดยหลักการแล้วมีตัวส่งอยู่สองแบบคือกรรมส่งไปหนึ่งและตั้งใจไปเกิดเพื่อความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหนึ่งหนึ่งกรรมส่งไปหมายถึงปกติมีมนโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมเข้าพว ก, กันยกตัวอย่างแบบคร่าวๆนะครับจากแจงละเอียดคงต้องเขียนตำราเป็นเล่มเช่นคนไทยจะคิดอารุณอลวย คิดแบบสบายๆคิดเอาพวกเอาพ้องคิดแบบเป็นกันเองกับใครๆถ้าใครคิดทำหนองนี้แม้ปัจจุบันเป็นชาติอื่นก็มีสิทธ์มาเข้าข่ายเผาพันธ์ไทยได้ถ้าต้องเป็นมนุษย์อีกส่วนการพูดแบบไทยนั้นสำเนียงจะอ่อนโยนราบเรียบไม่มีการขับเน้นโชงช้างหรือเอื้อให้ดัดจริตเท่าไหร่นักอีกทางดูจากภาษา จะเห็นว่ามีความสุภาพเจืออยู่เช่นมีคำลงท้ายครับค่ะมีสรรพนามเช่นผมดีฉันในขณะที่บางภาษาจะไม่มีคำลงท้ายและสรรพนามหลากหลายขนาดนี้ภาษาไทยจึงจัดเป็นภาษาที่แสดงความงดงามทางอารมณ์ผ่านสรบแสงหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สุภาพอารมณ์หยาบคายหรืออารมณ์ซับซ้อนผสมผสมกันแบบพลิกแปลง อย่างภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่มีกูมึงนะครับเวลากโกรธก็เอาน้ำหนักสำเนียงเข้าว่าถ้าใช้ภาษาไทยจนติดวิธีพูดทํานองนี้ถ้าต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีส่วนให้ไปเกิดในเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ใช้ภาษาไทยหรือทํานองเดียวกับไทยสำหรับการกระทาแบบไทยที่ชัดเด่นหน่อย จะเป็นเรื่องการมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ซึ่งหลายชาติจะไม่มีวิธีแสดงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ประเพณีและธรรมเนียมนิยมหลายๆอย่างเช่นการร่ายรำจะดูอ่อนช้อยเสียมากกล่าวกันว่าจิตวิญญาณหรือวัฒนธรรมแบบไทยนั้นแสดงออกซึ่งจิตใจที่นุ่มนวลแม้แต่จะชค่วยกันยังมีรำไหวครูให้ดูก่อนเป็นต้น แต่เดี๋ยวนี้โลกาพิวัติการคิดการพูดการทำของคนแต่ละชาติเริ่มกลืนกลืนกันไปหมดเพราะมนุษย์แต่ละเผ่าพันธุ์ไม่ได้ถูกระยะทางแบ่งแยกที่อยู่อาศัยอีกต่อไปเข้าอินเทอร์เน็ตก็คุยด้วยอัธยาศัยแบบเดียวกันได้แล้วการกำหนดเผ่าพันธุ์จึงไม่ขึ้นอยู่กับกรรมในการแสดงออกขั้นพื้นฐานแต่จะไปตกอยู่กับนิสัยเกื้อกูลหรือเบียดเบียนกันมากกว่า อย่างถ้าชอบเบียดเบียนมากๆและยังเหลือวาสนาได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจได้เป็นคนป่าที่ดุร้ายอะไรทํานองนั้น 2. ตั้งใจไปเกิดเพื่อความเป็นอย่างนั้นคือมีความติดใจในเผ่าพันธ์แบบใดแบบหนึ่งที่อยู่ในวิสัยกำลังบุญของตนจะส่งไป อย่างเช่นมนุษย์ทุกคนนั้นถ้าพอใจไปเกิดเป็นแมวก็จะเป็นแมวสมใจกันทั่วหน้าแต่อย่าเลยนะครับแมวนะ่ะภูมิเนื้อฉันเห็นมันน่ารักเห็นมันกินอยู่สบายสบายแต่ที่แท้หมกจมอยู่กับความสกรปรกและไม่มีทางพัฒนาจิตวิญญาณให้สว่างขึ้นผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติธรรมได้ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งถวายวัดแรกแด่สงมีบุญญาที่การพอจะเลือกไปสวรรค์ชั้นไหนก็ได้ท่านกลับมีความพอใจเลือกเพียงจาตุมหาราชิกาอันเป็นสวรรค์ชั้นแรกสุดเพียงเหตุผลเพราะท่านเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนท่านระลึกได้และยังติดใจอยู่หรืออย่างถ้าใครรักความเป็นไทยผูกพันกับวัฒนธรรมไทยมากๆจิตที่พอใจความเป็นไทยนั้น ก็จะส่งให้กลับมาเกิดในเผ่าพันธุ์ไทยอีกค่อนข้างแน่นอนเพราะเมื่อพอใจความเป็นไทยก็มักคิดพูดและทำแบบไทยๆเป็นปกติอยู่แล้วนั่นเอง